บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวถึงฌานซึ่งเป็นผลของการเจริญสมถกรรมฐานที่ปรากฏขึ้นภายในจิตของบุคคลเมื่อผ่านขั้นตอนของสมาธิมาโดยลำดับองฌานนั้นพึงสังเกตว่า เป็นพวกกลุ่มของกุศ ล, ลธรรมที่มีกำลังมากพอสามารถสยบนิวรณ์ทั้งห้าประการเอาไว้ได้แต่เป็นการสยบนิวรณไว้เพียงชุกกราวทราบเท่าที่กุศ ล, ลธรรมกุศ ล, ลธรรมเหล่านี้ยังมีอยู่พวกนิวรณ์ทั้งห้าประการก็เกิดขึ้นภายในจิตไม่ได้แต่ว่าชีวิตของบุคคลเราโดยปกตินั้น ไม่สามารถจะไปนั่งเข้าฌานอยู่ได้ตลอดจะต้องเกี่ยวข้องกับอารมณ์ประสาทสัมผัสก็กระทบกับอารมณ์ที่ผ่านมาทุกๆวันมากบางหน่อยปังใลอารมณ์ที่ผ่านมาเหล่านั้นก็จะสร้างความรู้สึกเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนที่มีทีพผมากที่สุดก็คือยินดียินร้าย ที่สำนวนบาลีพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอภิชาและโท ม, มนัตแต่การที่ไปยินดียินรายนั้นเมื่อเรามองให้ซึ้งลงไปชั้นหนึ่งก็จะพบว่าบรรดารมทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเด็นร้อนนอนแข็งก็ตามในชั้นแรกทีเดียวก็จะเกิดอาการของโมหะคือเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ในขณะนั้นเราก็สนใจเพียงต้องการรู้ว่าเป็นอะไรซึงสามารถสังเกตได้จากคำถามของเด็กเล็ ก, เ, ลกเวลาเธอต้องการรู้อะไรเธอก็ถามมาอะไรแต่นั้นเองแต่จะไม่มีคำถามต่อไปเพราะว่าไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องเด็จนั้นเมื่อตอมาเมื่อต่อมาเขาจะเกิดความสนใจใส่ใจที่จะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไร ก็มีการสอบถามมีการศึกษามีการพิสูจน์ทดสอบพอถึงจุดหนึ่งก็จะเกิดความพอใจและไม่พอใจความพอใจและไม่พอใจก็จะถูกเก็บไว้ภายในใจในโอกาสต่อมาเมื่อไปกระทบอารมณ์ น, นั้นอีกพื้นฐานที่เก็บไว้ภายในใจซึท่านเรียกว่าสัญญาก็จะเกิดขึ้นมาประสานสอดคล้องคือมารับอารมณ์ น, นั้นก็กลายเป็นเรื่องบวก หมายความมาเชื่อภายในก็มีอยู่ก็มีตัวกระตุ้นมาจากข้างนอกความรู้สึกก็จะคล้อยตามที่เก็บไว้ดั้งเดิมก็คือความพอใจหรือไม่พอใจที่ท่านเรียกว่ายินดีหยินร้ายแต่ความพอใจนั้นบางครั้งก็มีลักษณะเป็นกุศลทำไมเราพบพระพุทธภาสิตเป็นอันมากที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในแนวนี้เช่น ความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญความยินดีก็ดีความใคร่ก็ดีก็เกิดขึ้นจากความพอใจยินดีแต่ว่ามีปัญญาเข้ากำกับในอารมณ์เหลดนั้นซึ่งปริมาณของปัญญาที่เกิดขึ้นก็อยู่ที่ปริมาณของปัญญานั้นมากหรือน้อยถากว่าปริมาณของปัญญามากความยินดีในกุศลธรรมก็เกิดขึ้นมาก ในความใครที่จะศึกษาที่จะประพฤติปฏิบัติที่จะสัมผัสผลในกุศลธรรมเหล่ลานั้นก็มากตอถึงระดับนี้ท่านสามารถจะหาประโยชน์ได้จากทุกเรื่องแม้ความแม้อารมณ์อันเป็นที่ตั้งของความรักความจังสำหรับสามัญชนโดยทั่วไปแต่ว่าท่านที่มีปัญญามากพอท่านก็จะใช้ประโยชน์จากเรื่องเหล่านั้นได้อย่างความคิด เวลาสัมผัสอารมณ์ของคนระดับประโพธิสัตว์ระดับที่ท่านที่จะเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายเรื่องราวในชีวิตของท่านเหล่านั้นที่จริงก็เกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นเดียวกับที่เราเกี่ยวข้องในเนื่องจากพื้นฐานภูมิธรรมสติปัญญาของท่านสูงท่านสามารถจะมองทะลุเข้าไปถึงเนื้อหาแก่นแท้ของสิ่งดหล่านั้นและจึงหาประโยชน์ได้ทั้งส่วนที่ คนทั่วไปรู้สึกเป็นกลางๆคนทั่วไปรู้สึกกินดีคนทั่วไปรู้สึกกินไร้ซึ่งตามปกติแล้วก็ยินดีมักจะเกิดกิเลสสายโลภะกินไร้ก็จะเกิดกิเลสสายโทสะแต่พอปัญญาเกิดขึ้นมันก็ทําหน้าที่กระจัดความรู้สึกเต่า น, นั้นออกไปก็กลายเป็นการสามารถแสวงหาประโยชน์ได้แต่คนประเภทนี้ที่จริงก็มีอยู่จํานวนน้อยเพราะในแนวของการประพฤติปฏิบัติ เพื่อจะรับผลจากประสาทสัมผัสที่กระทบอารมณ์ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันนั้นในส่วนหนึ่งพระยาก็สอนในรูปของการให้สํารวมระวังหมายความว่าอารมณ์นั้นก็คงกระทบอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าทําอย่างไรจะสํารวมระวังเอาไว้ในกรณีที่อารมณ์เหล่านั้นจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิเลส การสัมรวมระวังจึงไม่ได้หมายความว่าสํารวมระวังทั้งหมดสํารวมระวังเฉพาะอารมณ์ที่จะกระตุ้นให้เกิดกิดเลสเพราะไรเพราะว่าอารมณ์ที่ก่อให้เกิดธรรมะมันก็มาทางภาษาสัมผัสเหมือนกันเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอนออแข็งเช่นเดียวกันแต่มื่อสังเกตว่าอารมณ์กรรมฐ า, านมันก็เป็นผ่านสิ่งที่ผ่านมาทางภาษาสัมผัสพวกอารมณ์ประเภทกระสินพวกประเภทดูลมประเภทดูซักศพ ประเภทดูอาหารประเภทดูธาตุบางอย่างลักษณะของธาตุบางอย่างก็เป็นกลุ่มของสิ่งที่เราเห็นด้วยตาบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นจากการกำหนดเสียงของธรรมะคือเสียงอะไรก็ตามที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็นำเสียงนั้นมาพิจารณาก็แสดงว่าเหตุที้เกิดธรรมะในกรณีนั้นก็คือเสียง เป็นการที่มีการฟังธรรมจากพุทธสํานักแล้วได้พิจารณาตามธรรมะแล่นั้นไปก็บรรลุมรรผลก็แสดงว่าธรรมะนั้นก็เป็นเหตุให้เกิดผลสูงสุดในทางศาสนาส่วนกลิ่นรสเราใช้ในการเจริญกรรมาฐานน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสัมผัสคือสิ่งที่เราจับต้องได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้การมองด้วยตาเพราะหลักการสาคัญในการใช้ ศึกษาพิจานาธรรมจึงใช้ประสาทหลักสอย่างคือตาหูใจแต่จากตาหูใจนั้นเราก็มองได้อีกชั้นหนึ่งว่าเป็นประสาทสัมผัสที่สามารถพัฒนาให้เป็นทิพย์ได้อยู่สมอย่างเรามีประสาทสัมผัส6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่จามูกลิ้นกายนั้นไม่สามารถไม่สามารถพัฒนาให้เป็นทิพย์ได้ แล้วก็เป็นแค่สภาวัธรรมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นยิ่งยิ่งยิ่งย้อนกว่าการบ้างเล็กน้อยแต่นั้นเองแต่าตานั้นสามารถพัฒนาเป็นตาทิพย์เรียกว่าทิพประจักษสุหูสามารถพัฒนาเป็นหูทิพย์เรียกว่าทิพยประจั์ใจก็สามารถพัฒนาให้เป็นทิพย์ได้ซึ่งก็เป็นผลโดยตรงจากการปฏิบัติธรรมเพราะการเกี่ยวข้องอารมณ์จึงใช้ประสาทสัมผัสสมนี้เป็นหลัก มากกว่าอีกสามอย่างโดยเฉพาะยิ่งยิ่งก็ที่ก่อให้เกิดความรักความชังสิงเหล่านี้ก็เป็นทางกระตุ้นให้เกิดธรรมะเช่นเดียวกับการกระตุ้นให้เกิดกิดเลสเพราะฉะนั้นการสอนสํารวมระวังจึงสอนเฉพาะกลุ่มที่จะก่อให้เกิดกิดเลสเท่านั้นแต่บางทีสํารวมระวังแล้วมันก็ยังเกิดขึ้นจะมีความเย็นดีเย็นใจในอารมณ์ต่อทันจูซึ่งแน่นอนว่า ถ้าหากว่าความยินดีนั้นเป็นธรรมะฉันทะคือยินดีในธรรมเพื่อเป็นสิ่งที่จะต้องเพิ่มพูนพัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าหากว่าเป็นความยินดีที่จะเพิ่มกิเลสหมายความว่าเป็นความยินดีที่เจือด้วยราคะเจือด้วยตันหาเจือดิโลภะมันจะมีปัญหาติดตามมามาถึงจุดหนึ่งท่านก็สอนให้ชั ธรรมะที่เราเรียกว่าอุเบกขาซึ่งได้กล่าวมาในวันก่อนอุเบกขาเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยคุณลักษณะก็เหมือนกันแต่ปริมาณนั้นจะเพิ่มขึ้นในความลักษณะของธรรมะก็คือเป็นปัญญาที่มองสิ่งทั้งหลายในแง่ของความเป็นจริงเรียกมองสิ่งเป็นโทษว่าเป็นโทษมองสิ่งเป็นคุณว่าเป็นคุณ เพราะสิ่งใดที่จะเป็นโทษก็ทําใจให้เป็นกลางๆคือไม่ให้เกิดความยินดียินร้ายอุเบกขาในชั้นแรกก็อยู่ระดับสํารวมระหวังนั้นเองแต่ตามปกติแล้วจะเกิดยินดียินร้ายดังกล่าวแต่ว่าจุดนี้เราก็ใช้ในแ น, แนอุเบกขาส่งใช้คำว่าอุเบกขาในอารมณ์6หรือประกอบด้วยองค์6 หมายความอ่วดขาเมื่อเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นดิมรสตุกต้องหยุดด้านอ่อนแข็งในกรณีที่จะเกิดกีดเหละเราก็ทำใจซึ่งออกไปคือไม่เกิดความยินดียินรายในอารมณ์เหล่านั้นเธอเกิดกุศลก็แล้วไปการปฏิบัติในลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีสติสัมปชัญญะเข้าช่วยมากเพราะว่าเชื้อภายในใจเรามีอยู่มากกว่าจะตั้งหลักฐานบางทีก็เกิดยินดียินรายไปแล้ว เพราความรวดเร็วของใจการฝึกทําใจแม่ยินดียินร้ายนั้นที่จริงเราก็มีพื้นฐานอยู่ในชีวิตของเราคือในจิตใจของเราแล้วทุกๆคนท่านสาชนจะสังเกตได้ว่าอารมณ์ที่เรารู้สึกเฉยๆที่เรียกว่าไม่ถึงก็ยินดียินร้ายนั้นก็คือเป็นเชื้อที่จะเพิ่มให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาได้ง่าย ในชีวิตประจําวันก็เราเออกก็จริงแล้วก็มีอารมณ์ที่กระแทยกระทันใจอยู่พอสองอย่างก็ยินดียินไรแต่ก็มีอารมณ์อย่างหนึ่งทึ่ค่อนข้างมากเป็นกันก็คือเฉยเฉยไม่ถึงก็ยินดีไม่ถึงก็ยินไรแต่บางทีลักษณะความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นมาจากความไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าเกิดขึ้นมาจากโมฆะแต่ในที่นี้ท่านเน้นไปที่ให้เกิดขึ้นมาจากปัญญา คือการใช้ปัญญาพินิษฐปัญนนาแล้วถ้าหากว่าเกิดใส่ใจสนใจในเรื่องเหล่านั้นปัญหามันจะเกิดขึ้นภายในใจก็ไม่ทำไมไม่ไปสร้างความบนดีนร้ายในอารมณ์เหล่านั้นบางอย่างมันเป็นเรื่องของช่วงหรือจังหวะเรียกว่าจิตใจของบุคคลไม่พร้อมที่จะหาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในช่วงนั้นก็ทำเฉยๆไว้ก่อน แต่ว่าถึงช่วงหนึ่งเรามีความพร้อมเราก็ใช้อารมณ์เหล่านั้นเองเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมะได้ข้อนี้บพงดูตัวอย่างเช่นบางครั้งพระท่านไปเจริญกรรมฐานในป่าในปราชา้าปราช้าของประเทศอินเดียมีศาสนาหนึ่งที่เรียกว่าศาสนาสรวัตอร์เขาใช้ศพไปทิ้งเอาไว้คือตายแล้วก็ไปทิ้งไว้ทางปาชา้เพื่อเป็นอาหารของสัตว์โดยเฉพาะแร้ง บางทีศพนั้นมันสดเกินไปอาจจะเป็นที่ตั้งของความยินดีอาจจะเป็นที่ตั้งของความกลัวอาจจะเป็นที่ตั้งของความขยะขยแงซึ่งอารมณ์เหล่านี้ก็แทกใจสูงมันเกิดขึ้นมาแล้วแม้เรื่องนั้นจะผ่านไปมันก็ตกค้างอยู่ภายในใจจิตใจของพระที่ไม่มีความเข้มแข็งพอท่านก็ไม่ให้ดูในจุดนั้นเพราะเมื่อเรามองพวก อสุภกรรมาฐานที่ให้ศึกษาซากศพจะไม่ให้ดูซากศพใหม่ๆแต่จะให้ดูซากศพที่เริ่มเปื่อยเน่ามีกลิ่นแล้วก็เริ่มมีน้ําเหลืองไหลอะไรต่างๆออกมาเพื่อสามารถดึงจิตเข้าหาความสังเวชได้เข้าหาการรู้แจ้งถึงความจริงแห่งสภาวธรรมที่เกาะกลุมกันของดินน้ําลมไฟอากาศได้แต่ถ้ายังสดอยู่ยังใหม่อยู่จิตอาจจะแปลงเข้าไปหาราคะซึ่งจิตใจคุ้นเคยอยู่ นีก็คืออุบายวิธีมหมายความว่าในช่วงหนึ่งจิตใจคนไม่พร้อมเท่านั้นเองก็เฉยๆเอาไว้คือไม่ใส่ใจในจุดนั้นแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นพร้อมที่จะเป็นครูให้ความรู้ความเข้าใจธรรมะก็ให้เกิดใส่ใจสนใจอุเบกขาอีกประการหนึ่งก็คือเบกขาในพรหมีขาอุเบกขาในพรหมีห า, เานปหาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน หรือถ้าเรามองคนเป็นภาพรวมๆในโลกแล้วก็จะพบว่าคนโดยทั่วๆไปคนประเภทที่กำลังประสบปัญหาคือประสบทุกข์ภัยอันตรายต่างๆคนที่มีความเจริญเข้าหน้าและคนที่ต้องเป็นไปตามกฎของกรรมคือได้ประพฤติได้กระทำกรรมอะไรเอาไว้ก็เป็นไปตามกรรมนะอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้ ในจุดนี้เองท่านสอนในทํานองอุเบขาในกรณีที่เป็นความดีนั้นเช่นว่าเรามีลูกอยู่โดยพื้นฐานแล้วตัวทั่ๆไปก็ให้ความรักความเมตตาต่อลูกเมื่อลูกประสบภยัยประสบอันตรายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดกรุณาต่อลูกเมื่อลูกหายป่วยลูกรอดพ้นจากอันตรายก็เกิดมุติตากับลูกแต่ต่อมาลูกตั้งตัวเป็นหลักเป็นฐานแล้ว เป็นผู้ใหญ่มีครอบมีครัวมีครอบครบัวที่มั่นคงแล้วไม่มีปัญหาอะไรภายในครอบครบัวพ่อแม่ต้องทำใจมัธยัสเป็นกลางปรงใจวางใจไม่ก้าไปวุ่นวายจุนจ้านในชีวิตของในครอบครัวของโลกนั่นคือลักษณะอุเบกขาในกรณีที่เขาตั้งหลักฐานมั่นคงแล้วก็เป็นการพิจารณาในแง่ของกรรมเหมือนกันแต่าตามปกติแล้ว เราก็ไม่ค่อยได้ใช้ในแนวนี้แต่มักจะใช้ในแนวที่คนประสบความพิบัติเดือดร้อนเพราะการกระทาของเขาเช่นคนไปประกอบอาชญากรรมไปต้องติดคุกในกรณีนี้เพิ่งสังเกตว่าเราใช้เมตตาก็ไม่ได้กรุณาก็ไม่ได้มุทิตาก็ไม่ได้แต่ถ้าขืนบุ่นวายไปวิตกเดือดร้อนกงนังวลก็หาเรื่องเอาตัวเองเข้าคุกด้วย คนนั้นติดคุกในทางกายเราก็ติดคุกในทางใจทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่ได้ทําผิดอะไรแต่ก็สร้างคุกขึ้นมาขังใจตัวเองเป็นการปฏิบัติที่ทํำตนในเดือดร้อนซึ่งไม่ใช่หลักการของธรรมะเพราะธรรมะนั้นจะต้องมีผลเป็นความสุขปฏิบัติไปแล้วมีผลเป็นความทุกข์ก็ชื่อว่าไม่ปฏิบัติธรรมะในจุดนี้เองที่ท่านสอนในใช้อุเบกขาคือการพิจารณาในแง่ของกรรม อย่างที่สวดสาธยายกันในบทแผ่เมตตาเด่นเด่โดยคิดว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเปที่พึ่งอาศัยใครทํากรรมอะไรไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็ต้องเป็นผู้รับผลของกรร ม, ม, รร ม, น, รรมนัมรรม้นเขารรทํอาอย่างนั้เนเขารับผลของกรรมแม้เราทําเองเราก็ต้องรับผลของกรรมเช่นเดียวกันมันจะเกิดความรู้สึกที่ขจัดธรรมะอีกกลุ่มหนึ่ง ขจัดกิเลสอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าเป็นการขจัดได้โดยอัตโนมัตกิเลสกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าอาคาติเป็นปัญหามากและเป็นปัญหาทาวรในสังคมมนุษย์คือจิตใจเบี่ยงเบนออกไปด้วยอำนาจความรักความชังและความกลัวคือแทนที่จะมองไปที่สิ่งทึ่เขากระทำเป็นการมองไปที่ผู้กระทำ คือตามปกติแล้วถ้าพูดถึงคนเราจะมีความรักความชังมีความรู้สึกเฉยๆและสิ่งที่ทำจะ ย, ยากที่สุดก็คือคนที่เรารักเราชังให้ลองสังเกตว่าแม้ธรรมสังเวทที่พิจารณาถึงความตายความแก่ความเจ็บความตายการพลาดที่ท่านสอนไว้ในแนวแนวปันหาปฏิเวกขนาดที่มันทำได้ยากก็คือว่า ทำใจแม่ให้เศร้าโศกเสียใจเมื่อคนอันเป็นที่รักประสบความทุกข์เป็นเรื่องที่ทําได้ยากมากเพราะใจิตใจเกี่ยวเกาะผูกพันอยู่กับคนเหล่านั้นรู้สึกว่าตนขาดคนเหล่านั้นไปบางครั้งไม่ประรับคนนั้นเท่าไรหร่หรอกประรับความเดือดร้อนที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวเองเซนพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อุปถัมภ์ค้ำจูเรามาล้มหายตาจากไปเราก็เศร้าโศกเสียใจทวิเคราะห์ลึกๆ ล, ลงไปบางทีเราก็ไม่เสียดายท่านเท่าไหร แต่เราก็เป็นห่วงว่าเราจะเดือดร้อนคนที่เคยให้สตางค์เคยอุปถมัมภ์เลี้ยงดูค้ำจูเรามาก็ขาดไปต่อไปเราจะเดือดร้อนแต่สรุปว่ามันเกี่ยวเกาะอยู่กับตัวมากเรามีประการหนึ่งก็คือคนที่เป็นศัตรูแต่ก็ตายไปเราทําใจเกิดธรรมสังเวชคือยอมรับในแง่ความจริงนะทํำแต่ยากเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมักจะรู้สึกดีใจรู้สึกซ้ําเติมอยากจะให้เขาตายไปตั้งนานแล้วทําไมไม่ตายชา้าได้เกิดในตำนานนี้ นี่แสดงเห็นว่าพวกเราคนนี้ก็เก็บสะสมไว้ภายใน ใ, นใจเพราะว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนที่เรารักเราชังเราทำใจกลางๆได้ยากเพราะเรื่องเหล่านี้ท่านจึงฝึกท่านจึงฝึกมาตั้งแต่การสำรวจวางอิรีย์ในชีวิตประจำวันดังกล่าวแล้วฝึกมองในแนวนี้ก็พยายามทำใจให้เชื่อมั่นในกฎของกรรมหรือยอมรับในกฎของกรรมที่ท่านเรียกว่า กรรมสกตาวิปัสนาคือเห็นแจ้งตามความจริงในกฎของกรรมชื่อนี้ผู้เจ้าใช้ทั้งศรัทธาใช้ทั้งปัญญาละใช้ทั้งวิปัสนาและใช้ทั้งทิฏฐิที่จริงทิฏฐิก็ดีวิปัสสนากดีปัญญาก็ดีก็คือเรื่องของปัญญาและใช้ในแง่ของศรัทธาดังนั้นท่านาชนอาจจะไปเจอตำราตราหนังสือ ท, ที่ท่านเขียนว่าบางครั้งกรรมสกตาศรัทธา บางครั้งก็ใช้ ก, กรรมสกตรรตาวิปัสนาบางครั้งก็ใช้ ก, กรรมสกตตาสมาธิิบางครั้งก็ใช้กรรมสกตายานซึ่งก็หมายความว่าความความรู้ความเห็นในความจริงซึ่งมันเกิดขึ้นเป็นอย่างไรก็ยอมรับในความจริงส่วนนั้นการนำใจในแนวนี้จึงเป็นเรื่องจะต้องฝึกปรือจะต้องมีการกระทำบ่อยๆ แต่ก็หัดกระทำไปแม้จะไม่ได้ในเวลารุดเร็วแต่ก็ต้องกระทำเพราะถ้ามา่อย่างนั้นแล้วจิตใจก็จะแหว่งไปด้วยอำนาจของความรักความชังแล้วก็ตัวเองก็จะตกอยู่ในมาจของอคติคือลำเอียงเพราะความรักใครกันบ้างลำเอียงเพราะไม่ชอบบ้างลำเอียงเพราะเข่าบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างซึ่งเป็นปัญหาที่ทาให้เกิด ขาดความเป็นธรรมความเที่ยงธรรมความยุติธรรมในสังคมของคนเราก็เกิดขึ้นมาจากจุดนี้คือแทนที่จะทำใจยอมรับความจริงในง่าของกรรมมาทำไม่ได้แลจากการทำไม่ได้แล่เองก็ออกมาในรูปของทุจริตในลักษณะต่างๆเป็นอาการสืบเนื่องกันมาจากความรู้สึกเหล่านี้นี่เองต่มามันเริ่มมาจากความรักความจังให้ลองสังเกตว่าบางครั้ง เวลาเราพูดถึงความดีของเราความดีไม่มากเท่าไรก็พูดซึมมากแต่พอถึงความชั่วของเราก็พยายามปกปิดถ้าปกปิดไม่ได้ก็พูดเพียงนิดหน่อยนั้นแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความรักตนเองทะนุถนอมตนเองห่วงใยตนเองเข้าข้างตนเองจนละเลยความจริงที่เราจะต้องรายงานในกรณีนั้ น, น, นจะต้องพูดในกรณีนั้ น, น, น และจากความรู้สึกตรงนี้พวกก็เอื้อมไปถึงคนที่เรารักถึงสถาบันที่เรารักถึงอะไรก็ตามที่เรารักเวลาจะสะท้อนความจริงในด้านไม่ดีเกี่ยวกับบุคคลเป็นต้นเหล่านั้นจะสะท้อนเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าพูดถึงดีมกักจะพูดเกินจริงแต่นั้นเราจึงพบเอกสารหลักฐานเรื่องราวต่างๆเป็นอันมากที่มีแรงบันดาลใจซึ่เกิดขึ้นมาจากความรักความหลง ต้องการจะสุดดีเชิดชู ก, กันลักษณะเหล่านี้ถ้าเรามองให้ไปอีกทีหนึ่งนี่จะเห็นได้ว่าเป็นเงื่อนไขต่างๆที่มีปรากฏอยู่ภายในสังคมแต่ผู้สํานวนปัจจุบันก็คือแนวของการปลุกเสกหมายความเรื่องเหล่านั้นที่จริงมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่ก็พยายามที่จะปลุกเสกที่พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์โน้มน้อมแล้วก็หาสร้างในร่วมขึ้นมาเพื่อจะให้ สร้างสภาพยอมรับนะักถือเกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลทั้งหลายเราทําได้ตั้งแต่พวกอิฐพวกหินพวกทองเหลืองก็ปลูกเสกขึ้นมาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแล้วคนไม่ดีบางคนเราปลูกเสกขึ้นมาเป็นคนดีคนดีไม่เท่าไร่แต่ก็ปลูกเสกขึ้นมาคล้ายๆกับเป็นพระรยาไปเป็ น, นต้นแล้วแตะเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในสังคมถ้าเราถามมามาจากอะไรมันมาจากใจที่ไม่ยอมอุเบกขาคือไม่ยอมมองในแง่ของกรรม แต่มองไปได้วยความรักด้วยความชื่นชมยินดีต้องการที่ยกย่องพยกย่องมันก็ออกจะเกินจริงไปทุกทีและใทสุดมันก็ออกมาในรูปของทุจริตทุจริตก็คืออะไรก็คือข้อที่มุสาวาดมุสาวาต น, นหมายความว่าความจริงเป็นยังไงเราพูดอย่างนั้นเห็นว่คนสองคนก็บอกก่าสองคนคนดีอย่างไรทำดีอย่างไรเราก็บอกดีเท่านั้น แต่ว่าพอดีเขาเป็นพวกเราเป็นเพื่อนเราเป็นคนที่เรารักเราก็ขายายประโยชนย้ยอยท่านเรียกว่าเสริมความก็เป็นมุสาบ้านแต่พอพูดถึงความไม่ดีของคนที่เรารักนั่นเองเราก็ปกปิดเอาไว้ท่านเรียกอําอความมันก็กลายเป็นมุสาบ้านทีนี้พอพลิกกลับอีกด้านหนึ่งก็คือคนที่เราไม่ชอบคนที่เราไม่ชอบนั้นแม้เขาจะมีความดีเราก็พยายามตัดรอนบิดเบือนปกปิดเอาไว้ไม่ให้ปรากฏออกมา เพราะความชั่วแม้เพียงเล็กน้อยก็พยายามขยายออกไปสแสดงถึงอะไรสะแสดงว่าเป็นเป็นอาคาติที่เกิดมาด้วยความชังความชังมันเกิดมาจากอะไรเกิดจากการกําหนดอารมณ์ที่สัมผัสในชีวิตประจําวันในตอนนั้นถ้าหากว่าใจเราเป็นกลา ง, ลางเราสามารถที่จะพูดตามความเป็นจริงได้ก็กํำนองใกล้ใกลกับรายงานอากาศรายงานสีแสงเสียงอะไรต่างๆ เป็นยังไงเราก็บอกไปอย่างนั้นเพราะนลักษณะของอุเบกขาที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับคล้ายๆกับมิเตอร์ที่เป็นเครื่องวัดอุณหภูมินก็อยู่ที่มิเตอร์มันขึ้นเท่าไหร่เราก็บอกไปเท่านั้นความจริงปรากฏในแต่ละขณะอย่างไรก็บอกไปอย่างนั้นเราก็ยืนยันเฉพาะขณะนั้นในสถานที่นั้นและขณะต่อไปอีสถานที่หนึ่งเราก็ไม่รู้ นี้ก็คือเกิดมาจากการมองในแง่ของความเป็นจริงอุเบกขาท่านจริงแปลว่าเข้าไปเพ่งดูคือเพ่งพินิษฐ์ปัญญาดูความจริงเป็นยังไงก็ต้องยอมรับความจริงดอกนั้นไม่ขัดขืนไม่ฝ่าขื น, นกฎเกณฑ์ของความจริงกระบวนการของกรรมก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมเราเองก็ไม่อาศัยความรักหรือความจังไปกระทําความผิดข้อนี้ดังที่กล่าวไว้ เพราะแม้แต่ในความพิบัตินั่นเองที่บางครั้งเราเอียงไปด้วยความรักบางครั้งเราเอียงไปด้วยความกลัวแต่ก็มีไม่น้อยที่คนก็ทําผิดต้องถูกจกกับกลุ่มคุมขังลงโทษเราแสดงความชื่นชมยินดีในความพิบัติเดือดร้อนของบุคคลเหล่านั้นนั่นก็แสดงว่าเอียงแต่เป็นเอียงด้วยอํานาจของโทสะแต่เรียกว่าโทสะกติหรือบางครั้งก็ไม่มีเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ใครก็จะบอกว่ายังไงเราก็เอียงไปตามเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยปัจจุบันนั้นเป็นยุคที่เรียกว่ายุคข้อมูลข่าวสารเพราะลักษณะของข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นเรื่องของกลุ่มผลประโยชน์ที่มีการลงทุนมีการดําเนินการมีคณะบุคคลเข้ามาทํางานในกระบวนการเหล่านี้ต้องใช้จ่ายเป็นอันมากเพราะเมื่อเขาลงทุนแล้วก็ต้องการจะได้กลับมาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งหลายจึงโน้มน้อมไปในแนวเดียวคือให้เห็นตามคล้อยตามเงื่อนไขที่เขานำเสนอ เพื่อคนเหล่านั้นตกเป็นเครื่องมือและซื้อหาสิ่งที่เขาเสนอออกไปเขาก็กลายเป็นผู้ได้ประโยชน์จากผู้ที่เชื่อถือในการโฆษณาในการประชาสัมพันธ์เหล่านั้นเพื่ะการทำใจด้วยเบคาเกียรธรรมให้สามารถสงบมองสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นตามความเป็นจริงแต่ไม่ได้ใช่เฉย บางครั้งเราก็หลงผิดเข้าใจผิดคือเฉยเยไม่รับรู้อะไรอันนั้นเรียกว่าเป็นโมฆะมันไม่ใช่เป็นลักษณะของอุเบกขาอุเบกขาเป็นลักษณะของปัญญาการเฉยไม่ยอมรับรู้ไม่รู้หนาวรู้ร้อนอะไรนั้นไม่ใช่ลักษณะของธรรมะเป็นลักษณะของโมฆะเพราะงั้นให้ลองสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมะนั้นจะต้องมีการลดกิเลสลงไปไม่ใช่เป็นการเพิ่มกิเลสไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมา บางครั้งเราอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นธรรมะแล้วก็มองผลที่เกิดขึ้นมาจากการกระทำเช่นนั้นเป็นธรรมะหรือไม่บางทีสร้างปัญหามากกว่าเดิมที้ทำไปเช็นสมมติมว่าไม่ยินดียินร้ายในเรื่องอะไรแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมปฏิบัติภารกิจอะไรจนบางทีก็มีการหลงกันแม้ในหมู่พุทธศาสนิกชนของเราจนว่าพระบางองค์ไม่เอางานพระศานสนาก็อยู่เฉพาะแต่ในวัด เรียกว่าบิดบางทั้งส่วนไปเร่พวกคนมีความชื่นชมยินดีว่าท่านนั้นสันโดษท่านไม่ได้ยินดีก็จะมามอบหมายอะไรใ ห, ให้ท่านก็ไม่เอาก็าแสดงว่าท่านไม่ยินดียินรายแล้วคนก็ไปชื่นชมไปเคารพนับถือศรัทธาหาว่าท่านเป็นผู้สันโดษอะไรต่างๆเป็นต้นนที่จริงแล้วก็เป็นเรื่องของความเกียรติครานแต่ปรากฏออกมาคล้ายๆกับว่าเป็นการปฏิบัติดี เพรจริงแล้วท่านที่หมดกิเลสจริงๆเนี่ยท่านจะไม่หยุดนิ่งท่านจะทํางานเพื่อมวลมนุษยชาติอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเราจะพบว่าแต่จะรู้เสร็จประทับสวยริมุติสุขอยู่เพียง7สัปดาห์เท่านั้นเองลหลังจากนั้นมาก็45ปีก็ทํางานเรียกว่าหามรุ่งหามค่ามํากันทีเดียวเพื่อมวลมนุษยชาติโดยไม่ได้คำหนึ่งถึงสุขภาพปภาระารมใหมของพระองค์นั่นก็คือลักษณะของคนที่หมดกิเลสไม่จะอยู่นิ่ง และก็พร้อมที่จะทำงานเพื่อบุคคลอื่นเพราะงั้นตัวอย่างของการใช้เบรคขาที่ท่านยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆคล้ายๆกับลูกของเราที่เริ่มเจริญเ ต, ติบโตลูกอยู่ในคันนั้นเราจะมีความรู้สึกเมตตาแต่ลูกคลอดออกมามีสุขภาพพระหลาดมนาะมัยดีรูปร่างหน้าตาดีไม่มีโรคมีภัยอะไรใดเราจะเกิดมุติตา แต่ถ้าลูกเกิดมาเกิดพิกลพิการนะเกิดเจ็บไข้ไตปยวยหรือจะเกิดกรุณณาพอลูกเริ่มเดินได้เราจะพบว่าในตอนแรกเราก็เมตตาเขาคือประคองเข้าไปพอลูกหกล้มก็ไปเข้าไปยกลูกให้ยกลูกขึ้นมาจากที่ที่เธอหกล้มแต่พอลูกเริ่มเดินได้เรามั่นใจว่าต้องปวรว่เราเด็กแกเดินได้ก็จะมองดูเฉย แต่การมองดูเฉยๆที่จริงเป็นการมองตามการเคลื่อนไหวของลูกไปก็ถ้าลูกก็เดินได้จริงๆเราก็มุติตาแต่ถ้าลูกเกิดจะหกล้มเราก็เปลี่ยนเป็นกรุณาก็หมายความว่าธรรมะมันก็ปรับไปอยู่อีกข้อหนึ่งคือข้อกรุณาหรือข้อมุติตาตามสมควรแก่กรณีไม่ใช่มองเฉยๆปล่อยให้ลูกเดินไปเรื่อยๆโดยไม่ใส่ใจสนใจนั้นไม่ใช่ลักษณะของธรรมะเรียกว่าเป็นคนไม่เอาเรื่องไม่รับผิดชอบ ในการงานที่ตนจะต้องกระจัดจะต้องทำในขณะนั้นๆและการปฏิบัติเหล่านี้มาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อเรามีการศึกษามีการปฏิบัติเรียกว่ามีกำลังใจเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอุเบกขาเหล่านี้เองจะขยายเพิ่มปริมาณขึ้นไปต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป